ท่านสาวุชนพุทธบริษัท ต, ต่งางยสำหรับคืนนี้ก็มาเริ่มปฏิบัติเนื่องในโสดาปฏิมริหรือว่าปฏิบัติเพื่อรโสดาปฏิมร์ <c oughs> การเจริญเปรกมาฐานนี้พระพุทธเจ้ามีความต้องการให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านเข้าถึงอริยมรรคอริยผลถ้าเราจะปฏิบัติกันแบบเลื่อนลอย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 หรือที่เราเรียกกันว่าพระโสดาบันก่อนที่ท่า น, นอนหลายจะศึกษาอยากศึกษาอย่างอื่นก็โปรดทราบว่าสำหรับพระโสดาบันนี้ละสังโยชน์ในสามระการคือหนึ่งสกายาทิฐิตัวนี้มีปัญญาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเท่านั้น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 กรโสุนาบันมีชีวามรู้สึกคือว่ามีปัญญาเพียงเล็กน้อยรู้แค่ตายเท่านั้นยังไม่สามารถจะจำแนแกแจกแยกร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้ความรู้สึกคำว่าสโสนาบันยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรารับย์สินทั้งหลายยังเป็นเราเป็นของเรา เป็นอนุว่าแต่ถ้าว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นของเรานี้ทั้งหมดเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่มีจิตที่เข้ามาสองคลองหรือถ้าว่าเรายังไม่ตายสักวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องสลายตัวไปนี่ในข้อว่าสกายาติฐิพระโสดาบันคิดได้เพียงเท่านี้ ยังไม่สามารถจะแยกกายทิ้งไปได้ทันทีทันใดองค์สมเด็จไปจอมไตรยจรึงกล่าวว่าพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยนี่ก็ดีสองวิจิการพระโสดาบันไม่สงสัยในคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคําว่าคําสั่งก็ได้แก่ศีล คำสอนก็ได้แก่จริยาอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมะเป็นความประพฤติดีประพฤติชอบสินพระพุทธเจ้าสั่งให้ละหมายความว่าละตามสิทธาบทที่กำหนดไว้ให้คำสอนทรงแนะนำว่าจงทำอย่างนี้จะมีความสุข นี่ทั้งคำสั่งก็ดีทั้งคำสอนก็นดีพระโสดาบันมีความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัยคือเชื่อพระพุทธเจ้าในการเชื่อนี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อนี่สำหรับสังโยชน์ข้อที่สามสีรพตป aramat เพราะอาศัยที่พระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้า มีความเคารพในประธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าทรงแนะนําบรรดาพระสงฆ์ว่าจงนําธรรมนี้ไปสอนพระสงฆ์ก็ไปสอนพระโสนาบันใช้ปัญญาเล็กน้อยมีความเข้าใจดียินยอมรับนับถือคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระชินสีที่พระพุทธเจ้าทรงตัดมาและพระสงฆ์นํามาแสดง อาศัยมีศรัทธาในรันรตนตรัยทั้งสามรการนี้พระโสนาบันจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นอนวุวาพระโสนาบันถ้าเราจะไปพิจรารณากันจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญวิสภาวะเหมือนชาวบ้านชั้นดีนั่นเองนี่เรามากล่าวกันถึงองค์ของพระโสนาบัน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 อันนี้ก็ตรงกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินทร์ีตรัสว่าพระโสดาบันกับพระสกิธาคามีเป็นผู้มีอาทิศีส์สำหรับกิเลสส่วนอืน่นจะเห็นได้ว่าพระโสดาบันยังมีกิเลสทุกอย่างตามที่เรากล่าวกันคือโลภความโลภหรือราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงแต่ว่ารักก็รัก อยากรวยก็อยากรวยกิดก็โกรดหลงก็หลงแต่ไม่ลืมความตายคาที่ว่าหลงก็เพราะว่าพระโสดาบันยังต้องการความร่ำรวยด้วยสัมมาอาชีวะพระโสดาบันยังต้องการความสวยสดมืองามต้องการมีคู่ครองอย่างนางวิสาขามาหาอุบาสิกาก็ดี ปัญญาของกลุกุธมิตรรามก็ดีตั้งสองท่านนี้เป็นเบลโซดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีแต่ในที่สุดท่านก็แต่งงานมีเครื่องประดับประดาสวยงาม <c oughs> <c oughs> เป็นอนว่ากิเลส ท, ที่เราต้องการกันในาการครองคู่ระหว่างเพศเธอโซดาบันยังมีและก็ยังมีครอบถ้วนแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีล ไม่ทำกามเมยสมิชาจา์ไม่ละเมิดความรักเขาบกคนอื่นไดยทำให้ผิดประเพณีหรือกฎหมายของบ้านเมืองเลือเป็นไปตามศีลทุกอย่างคือรักอยู่ในคู่ตัวผัวเมยียตามปกตินี่ขอบเขตเขาม่โสนาบันเมียงเท่าีนี่ความต้องการรวยด้วยสมัาชีวะ พระโสดาบันยังประกอบอาชีพแต่ไม่คดไม่โกงไม่ยื้อไม่แย่งใครเท่านั้นหามาได้ไม่จะร่ำรวยแสนจะร่ำรวยก็ได้มาด้วยการบริสุทธิ์ไม่คดไม่โกงเขาพระโสดาบันยังมีความโกรธให้โกรธนะโกรธได้แต่ว่าพระโสดาบันยังไม่ฆ่าใครเกลงว่าสิงจขาด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 ความเป็นวโสดนาบันนี้รู้สึกว่าไม่ยากสำหรับในวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้พยายามคร่ครวญถึงความตายเป็นสำคัญเรื่องความตายนี้ก็ดีการควบคุมอารมณ์จิตให้ปราศจากความพุ่งร่างก็ดีควรจะทำเป็นปกติ ถ้าวันใดถ้าเราเผลอจากการควบคุมอารมณ์จิตให้ระงับจากการพุ่งสั้นก็ดีวันใดถ้าเราเผลอไปลืมนึกถึงความตายก็ดีก็จงแบรน n a ตนเองว่าเรานี่เลวเต็มทีแล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วสอนตามความเป็นจริง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 นั่นก็คือเปรศการีทิดาเปรศการีทิดานี่เธออยู่ที่เมืองอารวีวันหนึ่งองค์สมเด็จพระชินสีทรงเสด็จไปทัพสํมราอริยาบทอยู่ในวคันทะกุณีมาหาวิหาร <c oughs> ในตอนเชา้าองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงเสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่มีใครติดตาม ไปสู่เขตของเมือ ง, งอารวีองสมเนตพจนสีถือต่อไม้เป็นธรรมะมที่ประทับประทับยับยั้งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านในฟังข่าวเข้าก็มาเป้าพระพุทธเจา้านำพัตตาหารมาถวายขณะ น, นั้นเปนสการีพิดดาคือลูกสาวของนายช่างหกเปสการีแปลวันช่างหกทิดดาแปลว่าลูกสาว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 ขอทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าอย่างไรก็ดีเราก็ต้องตายแน่กำหนดเวลาการตายของเราไม่มีแน่นอนเพราะความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายท่านหลายจงประกอบกรรมแต่ความดีเข้าไว้แต่ใครสร้างความชั่วตายแล้วจะเป็นส่วนบายภูมินรกเป็นต้นเกิดมาเป็นคนก็จะมีแต่วความเล้าร้อนมีแต่วความลาบาก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 คือไม่ตามพระพุทธเจ้าไปไม่ไม่ตามชาวบ้านไปที่บ้านตามพระพุทธเจ้ากับพิหารคือชาวบ้านไม่สนใจนี่ว่าสาวน้อยกรอยใจคือเปรษการีธิดาเธอสนใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุทุกวันทุกคืนเธอนึกถึงวงหน้าขององค์สมเด็จพระบรมโลกเกชิต ก็มีดวงหน้าสวยงามคล้ายดวงจันทร์ประสุรเสียงองค์สมเด็จพระพระุทธวันก็จแจ่มใสไพเราะลีลายการแสดงว่าธรรมเทศนาคนน่าฟังเป็นที่ชื่นใจเธอจำไม่ได้เสมอว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสนารองทรงสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง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 ต่อมาเมื่อเธออายุย่างเกสิบหกปีองค์สมเด็จพิจนาศีทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ในเวล า, ชาวเช้ามืดเห็นนางตกอยู่ในข่ายพย า, ยานก็ตกใจว่านี่เรื่องอะไรก็ทรงทราบโดยอำนาจพย า, ยานว่าในตอนสายวันนี้คุณสตรีคนนี้จะต้องถึงแก่ความตายด้วยปฏิเหตุ องค์สมเด็จพระบรมราชเอกเชษจึงได้ดพิจารณาว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะมีคติแน่นอนไหมองคสมเด็จด้วยจอมไตรสงสารว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีคติไม่แน่นอนคําว่าคติแปลว่ากันไปแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็หมายความว่าท่านแน่นอนก็ไม่ไปทุกขติไม่เกิดเป็นสัมโนกไม่เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตวิวชนัน ต้องเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือผอมปานิพันธ์อย่างนี้ชื่อว่ามีคติแน่นอนองค์สมเด็จพระจินวรจิ่งคิดว่าถ้าเราจะช่วยเธอเธอมีคติจะมีคติแน่นอนไหมก็ทรงทราบว่าถ้าทรงช่วยจะมีคติแน่นอนแล้วพิจารณาต่อไปว่าจะช่วยเธอยังไงจิงจะมีคติแน่นอนองค์สมเด็จพระจินวนวรสิ่วรสิ่งนรสิงนรสิ ว่าถ้าเราถามปัญหาเธอสี่ข้อเธอตอบเราให้สาธุการรับรองพอจบคะถาสี่ข้อเธอก็จะเป็นลุกโสดาบันการตายคราวนั้นของเธอก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่อันเป็นบรมสุขยันนั้นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระพายยาวไม่ชวนใครไปองค์เดียว ไปนั่งอยู่ในที่เดิมหลังจากนั้นแล้วคนมาเฝ้าขอเล่าลัดลทีน่น่าคงลูสาคนนายช่างห่วทำงานเสร็จตัดสินใจมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนองค์สมเด็จพระจินวรจรึงได้ทรงมองดูหน้าเธอเมื่อตาสบกันเธอก็ทราบว่าองค์สมเด็จพระพักกวนต้องการให้เข้าไปใกล้ เธอก็ไปแล้วองสงเด็จไปจอมใจจึงได้ถามระถาถามปัญหาสี่ข้อว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจา้าค่าถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจา้าค่ารลวงทรงถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบไปเจ้าค่าทรงถามว่าเธอทราบหรือก็ตอบว่าไม่ทราบไปเจา้าค่า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 แล้วท่านองค์พระพุทธเจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเพราะเพราะว่าจะตายเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเที่ยงก็ไม่ทราบอาก่ะและไม่ทราบอาการตายยังไงไงก็ตายแน่พระพุทธเจ้าก็รับรองในสาตุการจึงถามเพียงดท่นี้ความมั่นใจของเธอทําให้เธอเป็นเระ้สวดาบัน แต่ความจริงในตอนต้นนั้นเธอเข้าถึงวาโสนาปฏิมร์อยู่แล้วอือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตไม่ข้อว่าส ก, กายาะทิฐิเธอเข้าถึงแล้วในเบื้องต้นก็ดีสองเธอนึกถึงองค์สมเด็จพระทศพนบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทุกวัน ว่าเป็นพุท ธ, ธานุสติกรรมฐ า, านมิตกรกอดีสามองค์นางปฏิบัตินึกถึงพระธรรมคาสั่งสอนนี่องค์สมเด็จประชินวรทรงสอนไว้เสมอว่าชีวิตไม่ของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตข้อดีสีทําใดดีองค์สมเด็จปัทมาสามิตรมีศิลห้าเป็นต้นที่องค์สมเด็จป ท, 5, ป ท, ปทศพลทรงสอนไว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 มั่นในความไม่ตายคิดในความตายคิดว่าจะตายเมื่อไรก็เชิญมันตายแน่มั่นในศีลนี่ต่อนักษาแล้วก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในละม้นในพระธรรมคำสั่งสอนอย่างนี้ระวันดาท่านหลายองค์สมเด็จพระจินวรกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประสูาบัญเป็นอันว่าท่านพุทธบริษัททุกท่าน การเวลาที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ก็รู้สึกว่าจะหมดเวลาเสียแล้วเท่าที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดเป็นปฏิบัติที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นประสนคาบันท่า น, นหลายมีความรู้สึกว่ายากไหม <c oughs> แต่ยากก็ค่อยคคิดค่อยคยทำไปดูตัวอย่างเปสศการีที่ดาเป็นตัวอย่าง ว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรท่านยิงกล่าวว่าเธอเป็นประสูดาบันย้อนหลังไปสังนิษเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตแล้วก็ต่อไปเธอนึกถึงวงพักพระองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสัญาคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้านึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดาเป็นเอกะตาารม์อารมณ์ทรงตัว แล้วเธอก็ปฏิบัติตามกระแสวะสตธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีปฏิบัติถิ่นโดยเคร่งครัดเป็นต้นอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศกลยอมรับนับถือ ว, ว่าเธอเป็นประโสดาบันเข้าใจว่าท่านหลายผู้รับฟังรับคําสอนคนจะเห็นว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระชินวนวรสในตอนนี้เป็นของไม่หนัก แล้วก็ยัเป็นของไม่ยากสําหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาเส็จแล้วขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้จิตใจทรงอารมณ์ตามคําสั่งและคําสอนที่กล่าวมาแล้วตอนต้นจนอวาสานชอบใจตรงนั้นทนายทำตรงนั้นให้คงตัว และผลที่ท่านหลายจะพึงได้นั่นก็คือความเป็นประสนาบันและต่อที่นี้ไปข้ามรัดท่านพุทธบริษัททุกท่านพยายามจงอารมณ์ว่าตั้งไว้ในความดีตามอัติยาสายจึงกว่าจะได้เวลาที่ท่านพึงปรารถนา